สมาธิภาวนาผู้ชมการแข่งขันย่อมจะเห็นการต่อสู้ที่แท้จริงผู้ดูย่อมเห็นผู้มองไปข้างหน้าหรือข้างหลังย่อมไม่เห็นตัวเองความหมายของอุปทานจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นทางจิตเช่นยึดมั่นถือมั่นในเบญจขัน คือร่างกายและจิตใจรวมกันว่าเป็นตัวตนและยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจอันมาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นของตนหรือที่ละเอียดลงไปกว่านั้นก็คือยึดถือจิตส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวเราและยึดถือเอารูปร่างกายความรู้สึกความจำและความนึกคิดสี่อย่างนี้ว่าเป็นของเราพุทธภาษิตมีอยู่ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว เบนเจะขันที่ประกอบอยู่ด้วยอุปทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ดังนั้นเบนเจขันที่ไม่มีอุปทานครอบงำนั้นหาเป็นทุกข์ไม่ฉะนั้นคำว่าบริสุทธิ์หรือหลุดพ้นจึงหมายถึงการหลุดพ้นจากอุปทานว่าตัวเราว่าของเรานี้โดยตรงดังมีพุทธภาษิตว่าคนทั้งหลายย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทาน การสละการให้เป็นเพียงกลไกของธรรมชาติการเข้าใจกลไกของธรรมชาติคือการเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องไหลไปตามกลไกของมันไม่มีใครผู้ให้และไม่มีใครผู้รับแต่เพราะมีอุปทานขันห้าว่าเป็นตัวเรามีตัวเราจึงเริ่มมีตัวเขา จึงต้องมีการให้และมีการรับสมัยก่อนหาผู้ที่เข้าไปหาของป่าก็อาจพบต้นมะม่วงต้นฝรัง่งต้นขนุนต้นมะขามต้นมะละกอหรือต้นไม้ให้ผลมากมายที่มันขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติมันก็มีกลไกทำหน้าที่ให้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมันเติบโตมาตามธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพื่อที่จะยังประโยชน์ผู้อื่น น้ำก็ไม่มีใครรดให้มันต้องดึงดูดน้ำหาเลี้ยงลำต้นมันเองมันต้องดึงดูดแสงแดดเพื่อสังเคราะห์แสงให้ต้นไม้ยังคงอยู่ได้ในหน้าแลง้งมันต้องประคับประคองให้ลาต้นอยู่ได้ในขณะที่มีน้ำน้อยมากโดยบางครั้งก็ต้องสลัดใบออกไปเพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงพอที่จะรักษาลำต้นให้คงอยู่ได้ก็เพื่อจะให้ผลิ ด, ดอกออกผล เพื่อให้มนุษย์หรือสัรพสัตทั้งหลายได้อาศัยกินอาศัยดํารงชีพเมื่อให้ประโยชน์กับสิ่งอื่นๆแล้วก็บํารุงรักษาต้นของตัวเองเพื่อที่จะผลิตดอกออกผลให้กับบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นๆได้กินได้อาศัยเพื่อยังชีพต่อไปเมื่อออกผลใหม่ก็มีผู้มาเก็บไปกินไปขายหรือสัรพสัตมาอาศัยกินเพื่ อ, อยังชีพแล้วก็ออกผลใหม่ก็มีผู้มาเก็บไปกินไปขาย หรือสรรพสัตว์มอาอาศัยกินต่อไปต้นไม้เหล่านี้ไม่เคยบน่นไม่เคยว่าไม่เคยอิดออดที่จะผลิตผลออกมาเพื่อผู้อื่นเลยสักครั้งมันยังคงตั้งหน้าตั้งตาผลิตผลออกมาเพื่อผู้อื่นต่อไปเพราะความเป็นธรรมชาตินั่นเองความเป็นสิ่งหนึ่งของธรรมชาติที่ต้องถูกผลักดันให้มีกลไกไปตามกลไกของธรรมชาติคือการเกื้อกูลกัน ที่ธรรมชาติมีให้กันมนุษย์ก็เป็นเพียงธรรมชาติที่มาประชุมรวมกันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและมีธาตุรู้ที่มีปัญญาทางธรรมชาติเป็นตัวผลักดันให้กลไกดําเนินไปได้ทุกอย่างเป็นธาตุทางธรรมชาติ ล, ล้วนๆที่ไม่ได้เป็นตัวใครของใครรวมกันขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อน เพื่อยังประโยชน์ให้กับธรรมชาติธรรมชาติที่ย่อมมีการให้ที่ย่อมมีความเมตตากรุณาความเอื้ออาทรในทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วตามธรรมชาติหากเข้าใจในธรรมชาติก็จะเข้าใจว่าการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือไม่ได้มีใครเป็นผู้ให้ไม่ได้มีใครเป็นผู้รับจึงไม่มีตัวใครเป็นผู้ให้ใคร แต่พอมีอวิชชาคือความไม่รู้จริงในธรรมชาติจึงเกิดอุปทานขันห้าขึ้นมามันอุปทานไปว่าธรรมชาตินี้มีตัวตนมีตัวเราขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไปยึดมั่นถือมั่นในทุกสรรพสิ่งไปแสวงหาเอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติมาเป็นของเราการไหลไปการหมุนเวียนไปตามกลไกของธรรมชาติก็เลยสะดุดหยุดลงเพราะมีเครื่องกัน้น คืออัตราตัวตนของตนนั่นเองเมื่อมีตัวตนของตนจึงมีการเก็บกับเพื่อสนองอัตราตัวตนดังนั้นการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือกันตามธรรมชาติที่เคยมีก็สะดุดหยุดลงเช่นกันเพราะหากแบ่งปันไปเราจะได้อะไรกลับมาเหมือนเมื่อก่อนที่ดินแห่งหนึ่งไม่มีเจ้าของมีบ่อน้าอยู่ภายใน คนก็มาใช้ตักกินตักอาบกันมากมายเราก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ไปร่วมตักน้ำมาใช้มาดื่มมากินพอวันหนึ่งมีคนมาแจ้งว่ามีเจ้าของแล้วคนที่เคยเข้าไปตักน้ำจากบ่อนั้นซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น <c oughs> ก็จะรู้สึกกล้าๆ ก, ก, กลั ว, ลวแต่ก็ยังพอไปตักได้แต่หากเจ้าของที่ดินผืนนั้นมาขายให้กับเราอย่างไม่แพง และเราตกลงซื้อเรียบร้อยแล้วทันทีที่มีชื่อเราใ น, นโฉนดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราก็จะเกาะทันทีที่ดินเป็นของเราและกระบวนการยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นมีการไปล้อมรัว้วไปถากถางไปยึดเก็บผลไม้เหล่านั้นมาเป็นของตนหากใครปีนเข้าไปเก็บผลไม้ก็เป็นเดือดเป็นแค้นทะเลาะต่อยตีกัน เพราะต้นไม้นั้นเป็นของเราน้ำบ่อนั้นเป็นของเราทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นไปตามกลไกของทางโลกซึ่งเราซื้อแล้วก็ต้องเป็นของเราเราก็ต้องมีสิทธิ์ต้องหวงแหนเป็นธรรมดาแต่ที่ไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติก็คือเริ่มมีการยึดมั่นถือมั่นการจะไหลไปตามกลไกของธรรมชาติจมสะดุดลงการเก็บกัก การหาผลประโยชน์การยึดครองเข้ามาแทนที่นั่นคือเพิ่มเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งที่ดินนี้มันก็ยังอยู่ตามเดิมตรงนั้นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละบอ่อน้ำมันก็ยังคงให้น้ำอย่างที่มันเป็นนั่นแหละต้นไม้มันก็ยังให้ผลอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่สภาวะแห่งการยึดมั่นถือมั่นการมีตัวตนการมีของของตนเปลี่ยนไป ทางท่านที่ของเหล่านั้นมันก็ยังมีของมันอยู่อย่างเดิมตั้งแต่ทีแรกมีมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีเราก็ไม่เคยไปทุกข์กับมันไปทุกข์กับของที่มีขึ้นมาตามธรรมชาติผืนนี้หรือเมื่อก่อนหน้านี้หรือเมื่อวานนี้ก็ไม่ไปทุกข์เพราะไม่ใช่ของเราแต่ตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ที่ดินนี้เป็นของเราแล้ว แม้ว่าเราจะไม่สามารถแบกไปยังที่ต่างๆตามใจเราก็ตามแต่ไปอยู่ที่ไหนก็จะห่วงใยมันเสมอไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นเจ้าของมันหรือมันเป็นเจ้าของเรากันแน่เพราะมันใช้ให้เราต้องคอยดูแลมันต้องมาคอยเป็นห่วงเป็นใยมันต้องมาคอยปกปักรักษามันเน็ดเหนื่อยสุขทุกข์กับมันเพราะมันเป็นธรรมชาติ มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมานับร้อยนับพันนับล้านปีแล้วแต่อุปทานว่าเป็นของเรามันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกาะเดี๋ยวนี้เองถ้าเราตายอุปทานนี้ก็ไปเกาะกับผู้ที่ได้รับมรดกไปก็จะเกาะจะยึดไปจนกว่าจะตายหรือจะขายที่ดินนี้ไปก็จะมีคนใหม่มาเกาะมายึดต่อไปอีกที่ดินก็ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมมันไม่รู้ด้วยซ้าว่า ทำให้ใครกี่คนที่ต้องทุกข์ต้องสุขกับมันแต่มีคนมากมายเหลือเกินที่ไปทุกข์ไปสุขกับมันเราจะเห็นว่าเพราะอุปทานแทๆ้ๆที่หลงไปคิดว่ามีตัวเราจึงมีของเราไปด้วยเหมือนบ้านที่เราอยู่เมื่อก่อนเช่าเขาอยู่ก็อยู่ได้อย่างสบายทำอะไรสบายๆกลับบ้างไม่กลับบ้างก็ไม่ห่วงเท่าไหร่อะไรจะผุจะพังก็ช่างมัน ร, รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแต่พอซื้อบ้านหลังนั้นต่อจาเจ้าของเราอุปทานวิ่งเข้าไปเกาะทันทีว่ามันเป็นของเราหรือมันเป็นเจ้าของเราในทันทีจากนั้นต่อมามันก็จะเริ่มกระบวนการใช้เราใช้ให้เราดูแลมันให้เราคอยห่วงใยให้เราคอยกังวลใจเมื่อไปไกลบ้านบ้านอยู่กับที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ แต่อุปทานความห่วงใยติดอยู่ในหัวของเราในความคิดของเราเรียกว่าไปไหนไปด้วยตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับทุกสปปรรพสิ่งรอบๆตัวเราที่สร้างความสุขความทุกข์จากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นให้กับเราตลอดเวลานั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาค่างวดสิ่งของใดๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยความงามใดๆ แต่มีขึ้นอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นต่างหากหากให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีความหมายในทันทีปากกามากมายในกล่องแต่ปากกาด้าม น, นี้แฟนให้วันเกิดปากกาด้าม น, นี้ก็จะมีความหมายมีความสำคัญมากกว่าด้ามอื่นๆทันทีทั้งๆที่ราคาไม่ได้แพงเลยนั่นเพราะอุปทานว่าแฟนของเราให้เรา ปากกาด้ามนี้มีโอกาสทำให้เราสุขเราทุกได้มากกว่าปากกาทั้งกล่องด้ามอื่นคนหยิบไปใช้ไม่เป็นไรแต่ด้ามนี้หยิบไปมีเรื่องแน่แม้หายไปจะซื้อมาใช้ทดแทนสักโหลแบบเดียวกันสีเดียวกันเขียนได้เหมือนกันแต่มันทดแทนกันไม่ได้นั่นเป็นเพราะอุปถาว่าไม่ใช่ด้ามที่แฟนของเราให้นั่นเองปากกาด้ามนี้ ทำให้บุคคลนี้ทุก์สุขได้เพราะมีความหมายนั่นเองแต่หากวันใดเลิกกับแฟนผู้ให้ปากกาด้าม น, นี้และอุปทานในปากกาด้าม น, นี้ก็หมดไปไม่ห่วงไม่อยากได้ไม่ทุกขหากจะหายไปหรืออาจจะโยนทิ้งไปเลยก็ได้เพราะหมดความหมายแล้วนั่นเองเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็สามารถทําให้คนคนหนึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์ได้หดหูเศร้าหมองได้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเลยมันทุกเพราะอุปทานลุนล้วนนั่นเพราะมีตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นของเราจะเห็นได้ว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ที่คอยจะสร้างให้เกิดกิเลสตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราขึ้นมาคอยยึดคอยจับคอยจ้องที่จะสะสมอยู่ตลอดเวลาดังนั้น การที่จะออกจากขันห้าได้ต้องเข้าใจมันให้ถ่องแท้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันมีกลไกอย่างไรมันมีตัวตนจริงหรือไม่ในแต่ละวันบุคคลทั้งหลายจึงพลวันไปด้วยของของเราไหนจะบ้านของเรารถของเราเพื่อนของเราลูกของเราญาติของเราแฟนของเรานาฬิกาของเราปากกาของเราโต๊ะของเราเก้าอี้ของเรา โรงเรียนของเราสารพัดที่จะเป็นของเราสิ่งที่เข้ามากระทบมาปรุงแต่งให้สุขให้ทุกข์ให้วิตกกังวลจากอุปทานว่าเป็นของเราก็ย่อมมากตามไปด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความแปรปรนอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วมันจะเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ที่ไปยึดกับสิ่งเหล่านั้นมีโอกาสทุกสุขอยู่กับมันตลอดเวลาแล้วทาไมผู้ปฏิบัติผู้รู้ทั้งหลาย ผู้ปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามากมายหลายท่านท่านจึงอยู่ท่ามกลางวัตถุสิ่งของได้โดยไม่ทุกขโดยไม่ร้อนรนกับทุกสรรพสิ่งรอบๆตัวท่านมีทุกอย่างได้โดยไม่ต้องทุกขนั่นเพราะมีก็เหมือนไม่มีมีได้ใช้ทุกอย่างได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของเหล่านั้นว่าเป็นของของท่านนั่นเองการที่จะไม่ทุกข ก็เพราะหลุดพ้นจากอุปทานเหล่านั้นไม่ได้ไปทอดทิ้งไม่ปล่อยปละละเลยทุกอย่างมีได้ใช้ได้ดูแลได้เสมือนมีตัวเราเป็นผู้ดูแลแต่แท้จริงแล้วขันห้าเป็นผู้ดำเนินการดูแลทั้งหมดตามการบันทึกไว้ก่อนหน้านั้นนั่นแสดงว่าไม่ได้มีเรามาตั้งแต่ต้นมีก็เหมือนไม่มีมีทุกอย่างอยู่รอบตัว แต่รู้ว่าไม่ได้มีสิ่งของเหล่านั้นจริงๆเป็นความว่างว่างจากความเป็นตัวใครเป็นของใครทั้งสิ้นแม้ขณะบริหารขันห้าอยู่ก็ยังรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนจริงๆจึงอยู่ในขันห้าโดยความไม่มีตัวตนโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมีอยู่จึงเหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีความจริงตัวตนมันไม่ได้มีจริง มันเป็นกลไกลเป็นการไหลไปของกระแสธรรมชาติตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นเองแต่อุปทานไปว่ามีตัวมีตนจริงๆเอาความไม่มีจริงมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วอุปทานไปว่ามีจริงการที่จะไปคอยดับทุกในแต่ละสิ่งที่เกิดความแปรปรวนขึ้นแล้วนั้นและทำให้เกิดทุกก็คงต้องตามทุกตามดับทุกกันอยู่ร่ำไป ดังนั้นเมื่อเราจับได้แล้วว่าหัวเรือใหญ่ต้นต่อของความทุกข์ก็คืออวิชชาความไม่รู้ที่ก่อให้เกิดอุปทานขันหาก่อให้เกิดความมีตัวเราของเราขึ้นมาเพราะแก้ไขไม่ตรงจุดความทุกข์จึงหลอกกินมานับพบนับชาติไม่ทั่วนนั่นเองเหตุปัจจัยมันมากมายเหลือเกินที่จะเรียงหน้าเข้ามาให้ยึดเข้ามาให้ทุก พอเกิดกลไกของขันห้าปรุงแต่งให้เกิดภาวะอารมณ์ต่างๆตามสิ่งที่มากระทบตัวอุปทานก็มาคอยดักรอเพื่อเอาคำว่าเราไปแปะติดกับอารมณ์เหล่านั้นก็เลยหมาเอาว่าเรากำลังมีอารมณ์สุขเรากำลังมีอารมณ์ทุกข์มีอารมณ์ขุนมัวเศร้าหมองห่อเหี่ยวใจนั่นเป็นเพราะอุปทานมาคอยชี้นำเสนอให้ไปยึดเกาะ อ, อารมณ์ที่ปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัย ตามกลไกของขันห้าที่มันไม่ได้มีใครไปปรุงแต่งเช่นอากาศหนาวเย็นลงเซลล์ของรูปขันก็กระทบกับอากาศเย็นก็ส่งข้อมูลไปที่สัญญาณว่าหนาวแล้วสัญญาณก็ส่งไปที่ความคิดความคิดก็ปรุงแต่งว่าต้องหาเสื้อหนาๆนาใส่แล้วรูปขันก็ไปหยิบเสื้อหนาๆมาสวมอารมณ์ก็สบายขึ้นเพราะไม่หนาวสั่นเหมือนเมื่อครู่นี้ ขันห้ามันทำงานกันเป็นทีมมันรับมันส่งมันจัดการทุกอย่างตามกลไกของขันห้าถ้าออกมาดูทันจะเห็นความมหศจักรของขันห้าที่มันทำงานรับส่งกันต่อเนื่องตลอดเวลากินข้าวกระเพาะย่อยแยกโปรตีนแยกไขมันแยกวิตามินแล้วส่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายถูกต้องไม่มีใครไปคอยกากับดูแลแต่มันทางานของมันเอง มันเป็นกระแสที่ไหลไปตลอดเวลาไม่ได้มีตัวใครอยู่ในนั้นทั้งหมดทุกขั้นตอนไม่มีใครปรุงแต่งกายกระทบอากาศเย็นอากาศที่มันเย็นตัวอากาศเองมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งให้เย็นแต่มีเหตุปัจจัยมาผลักดันให้มันเย็นลงแล้วกลไกาการบันทึกไว้ของเซลผิวหนังตามสัญญาณก็เคยจำไว้ว่า25องศาพอต่ากว่านั้นทนไม่ไหว เมื่อหนาวมากการรับรู้ทางรูปขันที่หนาวสัน่นก็ส่งไปถึงอารมณ์ก็เลยเป็นเวทนาความทุกข์ความคิดก็เริ่มปรุงแต่งจึงต้องจัดการหาสิ่งมาปกป้องร่างกายทุกอย่างเป็นกลไกาการป้องกันขันห้าที่มันผลักดันที่มีโปรแกรมของมันอยู่แล้วตามขั้นตอนซึ่งเป็นการ บ, บันทึกไว้สืบต่อกันมาของขันห้ามันทำงานของมันเองเป็นขั้นตอนกลไกของมันเอง แต่ถ้ารู้ที่มีปัญญาที่มีหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูผู้มีหน้าที่มาตามดูว่าขันห้ามันทำงานยังไงใ น, นกลไกของมันแต่ก็กลับไม่ดูเฉยๆทําเกินหน้าที่ดันเสนอหน้าเข้าไปมีส่วนร่วมตามการเชิญชวนของอุปทานจึงมีเราเป็นผู้หนาวมีเราหาเสื้อใส่มีเราหายหนาวทาั้งๆที่ถ้าดูแล้วเห็นว่า กลไกของขันห้ามันหนาวแล้วมันก็หาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วมันก็อุ่นสบายตามสไตล์ของมันก็จะไม่มีตัวเราผู้เข้าไปร่วมช่วยเหลือมันเลยมันทำเองได้ล้วนเมื่อหัดปล่อยได้ในครั้งหนึ่งครั้งต่อไปสิ่งใดจะเข้ามากระทบปัญญาก็จะเกิดการพุ่งกระไปยึดว่าเป็นของเราก็จะน้อยลงจะคอยมองดูว่าขันห้า มันจะจัดการกับสภาวะนั้นอย่างไรเชื่อเถอว่ามันจัดการขันห่าของมันได้แม้ไม่มีอุปทานไม่มีตัวเราของเราเข้าไปเกี่ยวข้องตอนนี้รู้แล้วว่าต้นเหตุของปัญหาก็คือตัวอุปทานคือความไม่รู้คิดว่าเป็นตัวตนเป็นของตนและไปหลงยึดเป็นต้นเหตุเรามาดักรอดักตีให้ตรงจุดดักตีให้ตรงตัวอุปทานเลย จะดีกว่าไหมขอเพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจในกลไกลของขันห่าสักเล็กน้อยการมีสติรู้เท่าทันกลไกลของขันห้าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งเพราะโดยปกติแล้วคนเรามักจะคิดว่าเมื่อเราคิดก็จะคิดว่าเราเป็นผู้คิดคิดชอบเราก็ชอบคิดรักเราก็รักคิดโกรธเราก็โกรธ คิดน้อยใจเราก็น้อยใจจึงยังมีผู้รักมีผู้เกลียดมีผู้สุขมีผู้ทุกอยู่เรื่อยมาน้อยคนนักที่จะเฉลียวใจมีสติรู้เท่าทันขันห้าว่ามันปรุงแต่งของมันไปนตามเหตุปัจจัยที่เข้ามากระทบนั้นเมื่อเขาชมมันก็ปลืม้มเมื่อเขาว่ามันก็โกรธเมื่อเขาไม่ตามใจมันก็น้อยใจนั่นมันเป็นธรรมดา เป็นกลไกของขันห้าที่มันต้องปรุงแต่งของมันตามธรรมดาอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาของขันห้าที่มันต้องปรุงของมันอย่างที่มันเคยบันทึกไว้มันเป็นของมันอย่างนั้นเองเห็นลูกก็รักเห็นแฟนก็หวงเห็นดอกไม้ก็ชอบเห็นคนไม่ถูกกันก็โกรธเบิงครั้งเรายังไม่ทันรู้ตัวเลยว่าเห็นปุ๊บรักปั๊บเห็นปุ๊บโกรธปั๊บนั่นหมายความว่า ขันห้ามันเคยมีการบันทึกว่าอย่างไรมันก็ปรุงแต่งไปอย่างนั้นทันทีมันไม่ถามสักคำตากระทบจําได้หมายรู้ปรุงแต่งแล้วเกิดอารมณ์ไปเลยเบางครั้งเรายังไม่ทันตั้งใจเลยแต่มันปรุงไปเรียบร้อยแล้วรอให้เราเข้าไปรับผิดชอบว่าเป็นของเราอารมณ์ของเราสุขของเราทุกข์ของเราเรียกว่ารอให้ไปอุปทานรับมันเข้ามาเป็นของเรานั่นเอง ความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะไปรับอารมณ์ที่มันปรุงแต่งของมันเองมาเป็นของเราไปรับผิดชอบอารมณ์ความรู้สึกที่มันปรุงแต่งของมันเองในกลไกของขันห้ามาเป็นของเรานั่นเรียกว่าไปอุปทานเอามาเป็นของเราจึงมีเราผู้สุขผู้ทุกข์เรื่อยมาถ้ามันปรุงอารมณ์พอใจเข้าขายเรียกว่าสุขก็เลยนึกว่าเราเป็นผู้สุขถ้ามันปรุงอารมณ์ไม่พอใจน้อยใจ ก็ไปรับออกมาเป็นเราผู้มีความทุกข์แต่หากรู้เท่าทันมันปรุงแต่งเกิดอารมณ์ขึ้นมาน้อยใจไม่พอใจตามกลไกที่มันปรุงของมันอยู่แล้วตามการกระทบเหตุปัจจัยนั้นๆแล้วเห็นมันตามความเป็นจริงว่ามันก็ปรุงแต่งไปอย่างนั้นตามเรื่องตามราวของมันเรียกว่ามีสติรู้เท่าทันขันห้าที่มันปรุงแต่งอารมณ์ของมันไปอย่างนั้นเอง ก็จะมีผู้ดูอารมณ์เหล่านั้นที่เกิดในขันห้าดูอย่างเป็นผู้ที่ดูแล้วรู้เท่าทันก็จะมีขันห้ากับผู้ที่ดูขันห้ากำลังปรุงแต่งอารมณ์เหล่านั้นทั้งทั้งที่ยังไม่พอใจยังมีความกลุ่นอยู่ก็ตามเมื่อเห็นอารมณ์เหล่านั้นแล้วแม้มันจะยังเกิดอยู่แต่ก็จะไม่มีใครไปรับผิดชอบทุกของมันทุกของขันห้าก็จะแค่เห็นมันดูมันเกิดขึ้น แล้วดูซิว่ามันจะมีหน้าตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นสักกี่นาทีนี่ต่างหากที่เป็นกลไกที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครทุกข์ดูให้เห็นความเป็นอย่างนั้นเองของขันห้าที่ไม่มีใครบังคับบัญชามันได้มันมีแต่คิดให้สุขให้ทุกข์อยู่เรื่อยมันคิดเองมันหดหูเศร้าหมองเองมันทำกลไกของมันเองไม่ได้มีใครไปทาให้มันเกิด มันเกิดเองปรุงเองและเกิดอารมณ์สุขทุกเบ็ดเสร็จในตัวมันเองถ้าเห็นว่ามันเป็นขันห้าไม่ได้มีใครไปทำมันก็ปรุงแต่งของมันเองได้แต่ถอยออกมาดูมาเห็นการทำงานตามกลไกของขันห้าแล้วก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์เหล่านั้นเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปของมันเองอย่าให้อุปทานไปหลอกว่า มีตัวเราเป็นเจ้าของอารมณ์แล้วเข้าไปรับผิดชอบอารมณ์เหล่านั้นก็พอนั่นเรียกว่าทอดสลักจากอุปทานขันห้าทั้งท่านที่เกิดอารมณ์สุขทุกข์อยู่แต่ไม่ได้มีใครเป็นผู้สุขทุกข์คือไม่มีเราในขันห้าขันห้าไม่ใช่เราและอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ใช่ของเราไปด้วยเมื่อมีสติเห็นรู้เท่าทันขันห้ารู้เท่าทันอารมณ์เหล่านั้น นั่นก็คืออยู่เหนือความคิดอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ทั้งมวลนั่นเองสัจธรรมคือความเป็นจริงของธรรมชาติมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีทางแยกหากมีความเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วจะทำให้มีมุมมองที่ไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเรา ไม่มีการไปชี้ผิดชี้ถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานให้เกิดความทุกข์เพราะความเห็นผิดความไม่เข้าใจในธรรมชาตินั่นเองดังนั้นการที่จะมุ่งเข้ามาดูแต่ในขันห้ามาเรียนรู้ขันห้าที่มันยังมีอุปทานเต็มเปี่ยมว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราก็ยากลําบากอยู่แล้วต้องมีสติ ค, คอยดูคอยมองให้รู้เท่าทันว่ามันคิดอะไรรู้สึกอะไร และมีอารมณ์อะไรในแต่ละขณะเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันไม่ไปยึดมั่นในอารมณ์เหล่านั้นให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแค่คอยดูขันห้าคอยศึกษาคอยพิจารณาเพื่อไม่ให้ไปอุปทานว่าเป็นของเหล่านั้นแค่นี้ก็ยากลําบากอยู่แล้วแค่ตามดูการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยในขันห้าก็หมดเวลาแล้วจะให้ทรงจิตออกไปด้านนอกไปนําสิ่งรอบข้างเข้ า, ขามาพิจารณา ไปตัดสินบุคคลอื่นๆมากมายที่อยู่ภายนอกอยู่รอบข้างแล้วขึ้นลงไปตามความเห็นของตนเองที่นำไปตัดสินเขาเหล่านั้นทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลอยู่แล้วต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนไปตามวิบากของแต่ละคนอยู่แล้วเหตุใดเราจะยังไปเสียเวลาเอาเขาเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อเพิ่มความทุกข์เข้าไปในตัวเราอีกเล่าแค่ภายในของเรา ความทุกข์ที่ขันห้าคอยแต่จะปรุงแต่งใส่มาให้ก็มากมายเกินจะรู้เท่าทันอยู่แล้วผู้รู้จะไม่ส่งจิตออกนอกไปตัดสินสิ่งภายนอกที่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆจะดูแค่ภายในว่าเกิดภาวะอะไรในแต่ละขณะแล้วเพียรศึกษาให้รู้เท่าทันขันห้าในปัจจุบันก็จะสามารถเบาบางจางคลายจากความทุกข์ได้ในปัจจุบัน ผู้ไม่รู้ย่อมเห็นผิดย่อมส่งจิตออกนอกไปรับเอาเรื่องราวต่างๆของทุกสรรพสิ่งเข้ามาเป็นมูลเหตุให้ขันห้ามันปรุงแต่งมากเข้าไปอีกจึงทําให้การมองด้านในของตัวเองมีเวลาน้อยลงเพราะการปรุงแต่งในเรื่องที่รับเข้ามานั้นเอาเวลาไปหมดเรียกว่าไม่ได้เห็นการปรุงแต่งของขันห้าตามความเป็นจริงไปอุปทานรับเอาทุกเรื่องที่มันปรุงแต่งมาเป็นตัวเราเป็นความคิด ความรู้สึกของเราทั้งหมดจึงมีแต่ความทุกข์ความเครียดความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะไปห่วงใ ย, ยแทนคนอื่ น, นเรียกว่าห่างไกลาจากการมองเห็นการปรุงแต่งของขันห้าในปัจจุบันอย่างยิ่งเรียกว่าไม่ได้เห็นขันห้าคนตนเองเลยเห็นแต่ขันห้าของคนอื่นที่เขาต้องเป็นของเขาอย่างนั้นตามเหตุปัจจัยของเขาเรียกว่าเสียประโยชน์ตน เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองมากขึ้นไปอีกเพราะไปแบกรับภาระที่ไม่ใช่เรื่องเข้ามาจึงไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติไม่เห็นขันห้าของตนตามความจริงที่มันกําลังปรุงแต่งในปัจจุบันการรู้เท่าทันจึงยังไม่มีจึงยังต้องทนทุกข์และต้องหาทางดับทุกข์กันเรื่อยไปนั่นเองภารกิจทางโลกทุกๆคนได้เคยผ่านพบได้เคยผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหลายพบ หลายชาติความโศกเศร้าเสียใจความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ความสุขคละคล้าวปะปนกันหลายหมื่นหลายแสนชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนจนน้ําตามากมายกว่าน้ําในมหาสมุทรแล้วจึงไม่ใช่เป็นการเสียใจเป็นการร้องไห้ครั้งแรกของพวกเราทุกคน หากมองด้วยสายตาเสมือนว่านี่เป็นของใหม่เหตุการณ์ใหม่เราพอใจความเสียใจครั้งใหม่หากมองด้วยปัญญาจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วมันซ้ำซากจาเจมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่เคยมีชาติไหนพบไหนที่ไม่ทุกเพียงแต่ว่าสัญญาณมันไม่ต่อเนื่องข้ามพบข้ามชาติมาด้วยเท่านั้นจึงมีเราคนใหม่เขาคนใหม่ ครอบครัวใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของใหม่ที่น่ายึดถือน่ายินดีปรีดาทั้งสิน้นแต่เปล่าเลยพบชาติที่ผ่านมาก็มีเรามีเขามีครอบครัวของเราที่ให้อารมณ์ความรู้สึกเยี่ยงนี้เหมือนกันแล้วพบชาติก่อนหน้านั้นก็มีเรามีเขามีครอบครัวของเรามีความสําคัญมีความรู้สึกห่วงหาอาทรเหมือนขณะนี้เช่นกัน แล้วย้อนไปในชาติพบที่ลึกลงไปกว่านั้นก็ยังมีเรามีเขามีครอบครัวของเราที่ให้ห่วงหาอาทรอยู่อีกหรือหากลึกลงไปอีกก็ยังคงมีอยู่อีกมีอีกมีอีกเพราะได้ผ่านมาแล้วมากมายจนนับไม่ท้วนหากเราเกิดมาแสนชาติก็ต้องมีพ่อแม่แสนคนมีพี่น้องหลายแสนคนมีสามีภรรยานับแสนแสนคน ต้องมีความทุกขโศกเศร้าเสียใจร่ำไรรำพันเช่นนั้นนับเป็นแสนแสนล้านล้านครั้งเพราะคนที่เรารักย่อมจากเราไปในทุกชาติชาตินี้ก็จริงชาตินั้นก็จริงชาติโน้นก็จริงทุกชาติจริงหมดจริงในจิตของผู้ที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าที่ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายหาที่สิ้นสุดมิได้มีชาติไหนบ้าง ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ห่วงหาอาทรไม่รักไม่ห่วงใยไม่เสียใจกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกพบทุกชาติหากยังไม่จางคลายจากอุปทานขันห้าย่อมให้ความรู้สึกทุกเช่นนี้เสมอมาตลอระยะทางอันยาวไกลการเดินทางในสังสารวัตที่นับไม่ถ้วนผ่านมาแล้วแต่ทางที่จะต้องเดินต่อไปอีกยาวไกล ไปในสังสารวัตรนั้นก็ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางสิทีจึงยังต้องวนเวียนเดินกันต่อไปอีกนับพบนับชาติไม่ท่วนเช่นกันตราบใดที่ยังไม่ละจากอุปทานการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าก็ยังจะต้องมีการเกิดมามีการดำรงอยู่แล้วมีการตายไปเพื่อที่จะเกิดมาใหม่แล้วหมุนเวียนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง ขอให้ระลึกถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของตนเพราะเป็นธรรมะโอสถเป็นยาที่รักษาโรคอุปทานขันห้าซึ่เป็นโรคร้ายให้หายขาดได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายกันอีกต่อไปดังนั้นแม้พบเจอความทุกข์ ที่ดูเหมือนจะหนักหนามากมายในความรู้สึกของผู้ทุชนทั่วไปแต่ถ้ามีสติระลึกรู้เท่าทันขันห้าเห็นความเป็นอย่างนั้นเองของทุกสรรพสิ่งที่ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆความทุกข์ก็จะเบาบางลงตามการยึดมั่นถือมั่นที่เบาบางลงนั่นเองธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนชุดที่สอง การมองทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกไปนี้หากมองด้วยอวิชชาคือความไม่รู้จริงจะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งทุกสรรพวิชาจะมีความสำคัญทั้งหมดน่าอยากได้ใคร่ดีน่าเอาน่าเป็นไปเสียทั้งหมดทุกศาสตร์ทุกสิ่งทุกอิทธิปาฏิหารมีความน่าสนใจน่าคุ้นคว้าน่าจะเอามาเพื่อระดับอัตราทั้งสิ้น เท่าไหร่ก็ไม่พอหากมองด้วยวิชาด้วยปัญญาไตรตรองตามคําสอนของพระพุทธองค์แล้วจึงจะมองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของทุกสรรพสิ่งมันเป็นของมันอย่างนั้นเองมานานแล้วมันมีทุกอย่างอยู่ในกลไกของธรรมชาติฤทธิเดชอิทธิปฏิหารมันมีมาเนิ่นนานควบคู่กับจักรวาลทั้งปวงไม่ใช่ของใหม่ใดๆผู้ที่มีความเข้าใจ ปฏิบัตถึงกลไกของธรรมชาติก็ย่อมเกิดฤทธิ์เดชเกิดอิทธิปาฏิหารขึ้นได้เสมอตั้งแต่ครั้งโบราณมาแล้วหรือศีพราหมณ์นักพรตเก่งกว่าปาฏิหารกว่าอิทธิฤทธิ์มากกว่าเราเราผู้มาทีหลังทั้งสิน้นแต่ก็ยังคงต้องเวียนเกิดเวียนตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างมีได้เป็นได้แต่ยังต้องเวียนว่าอยู่ในวัตฏะสงสารอีกเนิ่นนานเหลือเกิน แต่ผู้รู้ผู้เห็นด้วยปัญญาท่านจะไม่สรรเสริญถึงมีถึงได้ท่านก็ไม่ยินดีท่านมุ่งหวังที่จะออกจากวัตสงสารเข้าสู่ความเป็นผู้ที่ไม่ต้องมาเวียนไหวในสังสารวัฏอีกเท่านั้นทุกสิ่งมีได้และเคยมีเคยได้กันมาแล้วท้งนั้นไม่ว่าฤทธิเดชใดๆมีมากันแล้วท้งนั้นในภพชาติอนเนกอ น, นันท่ผ่านผ่านมาเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องเก่า เรื่องเดิมๆ เ, เรื่องที่เคยมีเคยเป็นมาก่อนทั้งสิ้นจึงยังต้องมาเวียนไหวตายเกิดกันอยู่อย่างนี้แต่การหลุดพ้นการบรรลุธรรมเป็นเรื่องใหม่ยังไม่เคยทำได้มาก่อนการเบาบางการละวางจากอุปทานขันห้ายังไม่เคยจางคลายได้จริงนี่จังหาที่เป็นเรื่องใหม่ที่ควรจะใส่ใจศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง แล้วควรทำให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้จะได้ไม่ต้องเกิดมาเพื่อศึกษาขันห้ากันอีกหากยังมีอุปทานยังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราเป็นของเราเป็นของของเราอยู่ต่อให้เร่งเดินเท่าไหร่เพียรมากมายแค่ไหนก็เหมือนกับยิ่งเดินห่างไกลออกไปจากแก่นแท้ของธรรมะมากขึ้นเรื่อยเืเมื่อมีผู้มาแนะนา เมื่อมีผู้มาชักชวนเมื่อมีผู้ชี้ทางให้เดินผู้ที่มีปัญญาก็ควรต้องพิจารณาไตรตรองอย่างยิ่งยวดต้องนำไปเทียบเคียงกับธรรมะของพระพุทธองค์ให้แน่ใจกอดว่าทางที่มาบอกทางที่มาชี้ทางที่มาแนะนำให้เดินไปนี้เป็นไปเพื่อการละวางเป็นไปเพื่อการจางคลายจากการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันห้าหรือไม่เป็นไปเพื่อการปล่อยวาง เป็นไปเพื่อเห็นความว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนหรือไม่ถ้าการใดทำไปแล้วปฏิบัติไปแล้วไม่มีความเบาสบายไม่จางคลายจากทุกได้จริงยิ่งปฏิบัติยิ่งยึดมากขึ้นยิ่งสะสมมากขึ้นยิ่งแบกหนักขึ้นก็อย่าเดินไปไกลเพราะยิ่งเดินไปไกลก็จะยิ่งหนักต้องรีบหยุดไว้ก่อน แล้วหันมาพิจารณาไตรตรองในธรรมะที่เป็นแก่นแท้อีกครั้งว่าสอนว่าอย่างไรซึ่งจุดมุ่งหมายคือเป็นปลายเพื่อการปล่อยวางการละอุปทานขันห้าการละอัตตาตัวตนทั้งสิน้นไม่ได้ให้ไปหาให้ไปยึดให้ไปเพิ่มอัตตาให้ไปสะสมอุปทานให้มากขึ้นของเก่าที่ยังมีอยู่ในขันห้าที่ติดตามมาตลอดนั้น ความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานที่ติดตามมาหลายพบหลายชาตินั้นยังเอาออกไม่หมดเลยยังต้องเพียรเพื่อจะละเพื่อจะวางจากการยึดมั่นถือมั่นให้ได้ยังต้องเพียรเพื่อละอยู่ทุกวันแล้วจะไปเอาอุปทานของใหม่เข้ามาอีกเอามาเพิ่มเอามาแบกเอามายึดถือไว้อีกแล้วเมื่อไหร่จะเบาสบายกันสิทีมองให้เป็นจะเห็นความว่าง เชื่อแน่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้เดินทางเข้าสู่สายแห่งธรรมะย่อมเป็นผู้ที่ปรารถนาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งสิ้นเป็นผู้ปรารถนาที่จะพ้นจากกรรมวิบากกรรมพ้นจากการต้องมาเวียนว่ายตายเกิดทั้งสิ้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะมีปัญญาแยกแยะได้เท่าใดว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมทางไหนตรงทางไหนอ้อมทางไหนเป็นแก่น ทางไหนเป็นกระพี้เป็นเปลือกเป็นใบก็ต้องลองผิดลองถูกลองไปศึกษากันมานาน า, นาสำนักก็เพื่อหาทางที่จะค้นพบทางที่เป็นแก่นจะได้ปฏิบัติได้ตรงได้เร็วและพ้นจากทุกข์กันเสีทีนี่เป็นสิ่งที่ยากยิ่งต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งยวดเพราะการลวงล่อในรูปแบบที่น่าศรัทธาต่างๆนาน า, นามีมากมายยากที่จะพิจารณาให้ถึงแก่นแท้ได้อย่างแท้จริง แต่ไม่ใช่ว่าการพิจารณาเลือกเดินในทางสายใดสายหนึ่งวิชาใดวิชาหนึ่งสำนักใดสำนักหนึ่งเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกนั่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามอินทรีย์ที่แก่กล้าตามพละงกำลังปัญญาพิจารณาไตรตรองของบุคคลนั้นๆต่างหากที่จะมีความพร้อมเท่าใดดังนั้นการที่จะเข้าไปกลางแก่นของต้นไม้ ก็ต้องผ่านใบผ่านเปลือกผ่านกระพีของต้นไม้เหล่านั้นไปก่อนจึงจะมองเห็นแก่นของต้นไม้ได้เราทั้งหลายก็เช่นกันต้องผ่านการลองผิดลองถูกผ่านการก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นจึงจะสามารถมองเห็นภาพรวมของเส้นทางที่เราเดินผ่านมาได้ถ้าไม่มีบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเราก็ไม่อาจขึ้นมาสู่ขั้นที่สขั้นที่ห้าได้เลย ดังนั้นบันไดแต่ละขั้นธรรมะแต่ละศาสตร์แต่ละสายแต่ละวิธีก็เป็นบันไดพื้นฐานเพื่อการก้าวไปหาแก่นแท้หาการปล่อยวางทั้งสิน้นดังนั้นอย่าได้ไปมองคนที่กำลังก้าวขึ้นมาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองว่ายังหลงยังยึดยังไม่ถูกทางนั่นเป็นการมองที่จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบจะทำให้ตนเองเป็นทุกข์ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจึงถูกต้องตามเหตุปัจจัยนั้นๆซึ่งเป็นการป้องกันการมองโดยการเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราหรือเราเสมอกับเขาเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยต่างกันจึงมีปัญญามีการพิจารณามีการไตรตรองมีภูมิธรรมไม่เท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะยังวนเวียนอยู่แต่ตรงจุดนั้นตลอดไป เหมือนกับเ่าเราอยู่ชั้นป .2 เราอาจจะบวกเลขลบเลขพอได้แต่เรายังพึ่งหัดใช้การคูณเลขเรายังไม่เป็นเรายังทำไม่คล่องหากพี่เราที่อยู่ชั้นป .5 มาสอนเราก็จะบอกว่าทาไมสอนไม่จาทำอย่างนี้คูณอย่างนี้ไม่เห็นยากเลยง่ายจะตายไปแต่สาหรับเราสาหรับเด็กป .2 มันยากมากเลยเด็กป .5 ก็กำลังยากในการเรียนสูตรเรียนตรีโกณถอดสแควรูตหรืออะไรต่อมิอะไรที่ครูเพิ่งจะเริ่มสอนจึงยากสำหรับเด็กปห้าคนนั้นแต่ถ้าพี่อีกคนที่เรียนชั้นมัธยมก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นยากเลยแค่ทำอย่างนี้อย่างนี้แค่นี้ก็ทำไม่ได้จะเห็นได้ว่าสมคนนี้อยู่ในสภาวะที่ต่างกันโดยพื้นฐานตามสภาวะทางโลก ที่กำลังดาเนินอยู่มีสภาวะของการศึกษาที่ต่างกันแต่หน้าแปลกที่มีมุมมองเหมือนกันนั่นคือมองว่าเราดีกว่าเขาเราฉลาดกว่าเขาเรารู้มากกว่าเขาซึ่งเป็นการมองโดยมีตัวเองเป็นตัวตั้งยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแล้วเอาผู้อื่นมาเทียบถ้าเรารู้มากกว่าเราดีกว่าเขาก็จะมีความยิ่งดูถูกคนอื่น ถ้าเขารู้มากกว่าเราก็จะหดหูห ม, มอนหม่องเพราะสู้เขาไม่ได้เสียใจริษยาอยากเอาชนะแต่ทุกคนคิดถูกต้องตามกำลังปัญญาตามการยึดมั่นถือมั่นแต่ละคนและทุกคนก็จะได้รับความทุกข์ความน้อยใจเป็นของแจกของแถมตรงใบตรงมาเช่นกันแต่ถ้ามองให้เป็นจะเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง ว่าน้องคนเล็กอยู่ป .2 เขายังคูณเลขไม่ค่อยได้นั่นเพราะเขาอยู่ป .2 เขายังไม่ได้เรียนถึงชั้นป .5 เขาจึงยังไม่เข้าใจการคูณเลขนั่นเองไม่ใช่เขาโง่แต่เพราะเขายังเรียนไม่ถึงชั้นป .5 ถ้าเขาเรียนถึงป .5 เขาอาจจะเรียนเก่งเลขมากกว่าพี่ในขณะนี้ก็ได้คนที่อยู่ป .5 แม้จะเก่งกว่าป .2 แต่เขายังทําการถอดสูตรถอดสแครรูทไม่ได้ ก็ถูกพี่ที่เรียนมัธยมดูถูกเอาหาว่าโง่ไม่จําซึ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กป .5 จะโง่กว่าคนเรียนมัธยมแต่เพราะเขายังเรียนไปไม่ถึงเขาจึงยังไม่รู้นั่นเองหรือคนที่เรียนมัธยมชั้นสูงที่สุดในบ้านเขาก็อาจจะมีความทุกข์ที่ถูกรุ่นพี่ปริญญากระทบเอาว่าสอนไม่จําก็เป็นได้ที่กล่าวมานี้ก็เพื่อให้มองให้รอบว่าไม่มีใครโง่ ไม่มีใครฉลาดไม่มีใครเก่งกว่าใครแต่เป็นเพราะแต่ละคนอยู่ในสภาวะที่ไม่เท่ากันมีความรู้มีการศึกษาที่ไม่เท่ากันและเพราะความไม่รู้จึงไปหลงยึดในความไม่รู้นั้นว่าเป็นตัวเรานั่นเองที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดการเปรียบเทียบเกิดอัดตราตัวตนขึ้นมาการเปรียบเทียบอย่างนี้ก็พอจะมองออกพอจะเห็นภาพได้ แต่หากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันจะมองยากเพราะแต่ละคนไม่อาจรู้ภูมิธรรมของอีกคนหนึ่งได้อย่างดีก็แค่ประมาณเอาจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปคาดคะเนไปนึกคิดเอาเองแต่ถ้าเห็นว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเองตามเหตุปัจจัยของเขาเหล่านั้นก็จะไปตัดความวุ่นวายในการไปพิจารณาคนอื่นแทนที่จะมาพิจารณาขันห้าของตนเอง คนเดียวก็เสียเวลาไปมากแล้วในการไปเอาเขามาพิจารณาแล้วถ้ามีสองคนห้าคนสิบคนยี่สิบคนหรือมากกว่านั้นจะยิ่งเสียเวลาในการพิจารณาขันห้าคนอื่นมากขึ้นไปอีกดังนั้นการที่จะบอกธรรมะการที่จะยื่นห่วงไปให้แกข่ขันใดๆหากบอกไปแล้วเขาเชื่อหรือบอกไปแล้วเขาไม่เชื่อก็ให้วางลงเสียอย่าได้เยื่อใหญ่ ยื่นห่วงไปให้เขาเหล่านั้นเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับปัญญาในการไตรตรองของแต่ละภูมิธรรมนั้นๆซึ่งก็ไม่พ้นจากบัวสีเหล่าไปได้ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังสงสัยว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นคนนั้นทาไมใจดีคนนี้ทาไมใจดาจึงควรหมดข้อสงสยัยเพราะทุกอย่างมีเหตุปัจจัยส่งเข้ามาเป็นอย่างนั้น เพราะความไม่รู้ที่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาวด้วยธรรมะเขาจึงเป็นอย่างนั้นตามเหตุที่ทำไว้นั่นเองถ้ามองผิดมุมความทุกข์ก็ถามหาความริษยาก็เกาะกินถ้ามองถูกมุมก็จะเห็นความเป็นอย่างนั้นเองของทุกสรรพสิ่งการที่จะส่งจิตออกนอกไปตัดสินใครจะเริ่มน้อยลงจะเริ่มอยู่ภายในมากขึ้นก็เท่ากับได้ธรรมะไปนหนึ่งข้อคือ ไม่ส่งจิตออกนอกเพราะไม่รู้จะส่งออกไปทำไมทุกอย่างล้วนถูกต้องตามเหตุปัจจัยนั้นๆอยู่แล้วเพราะการมุ่งแต่ไปพิจารณาขันห้าของผู้อื่นก็จะมีแต่ความอึกอัดขัดข้องไม่ถูกอกถูกใจเสียเวลาไปอย่างน่าเสียดายซึ่งเราๆท่านๆได้เคยเสียเวลาเช่นนี้มานับกับนับกันมาแล้วก็ด้วยความโง่เขลาบาบรราัญญาที่มุ่งแต่ไปพิจารณาขันห้าอื่นๆรอบตัวนั่นเอง สุญญาตาสูตรโลกทุกใบถูกลบหายไปด้วยความว่างเมื่อสัมผัสอารมณ์หลากหลายด้วยสติสัมปชัญญะความทุกข์ทั้งปวงย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นในสถานการณ์ที่เราเคยคิดว่าคับขันน่าทุกข์น่ากังวลน่าคุนข้องหมองใจเราก็ควรจะฉกฉวยประโยชน์ตนจากสถานการณ์นั้น เพื่อให้เห็นอีกด้านที่คาดไม่ถึงเช่นอ่านข้อความแล้วรู้สึกไม่สบายใจให้มองย้อนกลับเข้าไปในขันห้าที่กําลังคิดกลับไปกลับมาแล้วเห็นให้ได้ว่ามันกําลังคิดอะไรปรุงแต่งแบบไหนและมันรู้สึกอย่างไรกันแน่เพราะขันห้านี้เป็นขันที่เรามองเห็นได้ปล่อยวางมันได้สอนมันได้ต่อให้มันคิดอะไรต่อมิอะไรมากน้อยแค่ไหน เกิดอารมณ์อย่างไรมันก็วนอยู่ในขันห้าขันนี้มิได้ไปวนอยู่ในขันห้าของใครๆเลยเราจรึงต้องรู้วิธีถอยห่างจากไฟที่มันลุกอยู่ใกล้ๆเราก่อนดีกว่าถ้าเห็นได้ถ้าวางได้ถ้าละการปรุงแต่งในขันห้านี้ได้โลกทั้งใบก็อยู่ในขันห้าขันนี้เท่านั้นคิดถึงอเมริกาก็คิดในขันห้านี้ เห็นเมืองฝรั่งเศสก็เห็นผ่านขันห้าขันนี้หรือแม้จะรักจะเกลียดจะโกรธจะห่วงใ ย, ยพ่อแม่ลูกเมียก็ยังคงวนเวียนอยู่ในขันห้าของแต่ละท่านนี้ที่ปรุงแต่งเองทั้งหมดเลยไม่ได้ไปปรุงแต่งในขันห้าของใครทั้งสิน้นถ้าเข้าใจกลไกของขันห้าถ้าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันห้าที่กาลังล่อหลอกให้เข้ามาติดกับ และยอมรับอารมณ์นั้นๆว่าเป็นของตนแล้วไซความสุขความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้แค่ในขันห้าเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเลยหากอยู่เหนือขันห้าของท่านเองได้ท่านก็ย่อมอยู่เหนือโลกธรรม8ปดได้เช่นกันเพราะโลกธรรม8ปดลาบยศสันเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกมันถูกปรุงแต่งออกมา จากขันห้าของท่านเองหากทุกคนมุ่งเน้นพิจารณาในขันห้าของตนเท่านั้นโดยไม่มุ่งเน้นที่จะไปพิจารณาขันห้าของบุคคลอื่นก็จะไม่มีใครอคติด้วยเห็นว่าบุคคลอื่นผิดถูกดีชั่วจะไม่มีการนาสิ่งหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งจะไม่มีความเห็นที่แตกต่างหรือแตกแยกเพราะธรรมชาติมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีแบ่งแยก ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นธรรมชาติเดียวกันมิได้เป็นตัวใครของใครทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นการมีความเข้าใจในกลไกของธรรมชาติการมองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติการมีมุมมองที่ถูกตรงตามหลักของธรรมชาติเป็นกลไกสําคัญอย่างยิ่งที่จะเปิดมุมมองที่ให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่ง หากมีความเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วก็จะไม่มีการแบ่งแยกไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีการเทียบเคียงใดใดทั้งสิ้นไม่มีเราดีกว่าเขาไม่มีเขาดีกว่าเราไม่มีเราเสมอเขาและไม่มีความเห็นที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยตามกลไกของธรรมชาติทั้งสิ้นไม่ได้มีใครอยากที่จะเป็นอะไรอะไร แล้วเลือกได้ตามที่ใจต้องการทุกคนเกิดมาตามกรรมตามวิบากกรรมที่ส่งมาอยู่ในแบบฟอร์มขันห้าไหนไหนก็ต้องดำเนินไปตามแบบฟอร์มนั้นๆอยู่ในแบบฟอร์มของนกก็จะบินได้หากินนอนมแมลงเข้าเปลือกดาเนินชีวิตไปตามกลไกของธรรมชาติการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเพราะเป็นแบบฟอร์มเดียวที่สามารถออกจากทุกได้ พ้นทุกได้เพราะสามารถมีสติปัญญาพิจารณาไตรตรองมีการปฏิบัติเพื่อละอัตตาตัวตนเรียนรู้กลไกขันห้าจึงมีโอกาสห ล, ลุดพ้นจากอุปทานขันห้าได้นอกนั้นแบบฟอร์มอื่นๆไม่มีโอกาสพ MIN ้นทุกข์ได้เลยการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งยิ่งเกิดเป็นสัตว์ทั้งหลายนั้นถือว่าเกิดมาใช้กรรมทั้งสิ้น เพราะเกิดมาแล้วมีแต่สัญชาตญาณเท่านั้นที่ผลักดันให้ดำเนินชีวิตไปไม่อาจแยกแยะได้ไม่อาจหยุดคิดหยุดใจตรองผิดถูกดีชั่วได้จึงเพียงดำเนินชีวิตไปตามกลไกของขันห่าตามสัญชาตญาณตามแบบฟอร์มนั้นๆโอกาสที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเลือกทางเดินเองนั้นแทบจะไม่มีเลยเราจึงควรเข้าใจพวกเขาเห็นใจพวกเขาเมตตาพวกเขา มองเห็นความเป็นจริงในธรรมชาติของพวกเขาแล้วความอาคติความเหลื่อมลำ้ำความไม่เข้าใจจะหมดไปทันทีนี่เป็นพื้นฐานเป็นมุมมองที่คนทั่ ว, วไปที่ยังเห็นว่ามีตัวตนเรามีตัวตนเขามีคนมีสัตว์แบ่งแยกกันไปควรนำมาพิจารณาเพื่อเปลี่ยนมุมมองก่อนจะได้มีความเบาสบายในระดับหนึ่งสัตว์เหล่านั้นเขาก็เกิดมาตามกรรม ตามวิบากที่ส่งเข้ามาเกิดตามแบบฟอร์มเขาเลือกไม่ได้เช่นกันเกิดมาเป็นหนอนเป็นไส้เดือนเป็นกิ้งกือเป็นสัตว์หน้าขยะขยงใครเห็นก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาอาจเคยเป็นมนุษย์มาก่อนก็ได้แต่ใช้ความสวยความหล่อหลอกล่อบุคคลอื่นไปสร้างกรรมวิบากกรรมหลอกลวงหรือสร้างกรรมใดๆใช้กรรมแล้วเหลือเศษกรรม ก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าเกลียดหน้าขยะขแขงใครเห็นแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้เพราะหน้าขยะขแยแข็ทงทั้งทั้งที่สัตว์เหล่านั้นมันก็ไม่ได้ทำอันตรายใครได้เลยหนอนก็หากินของมันไส้เดือนก็หากินแถมยังพวนินให้กับมนุษย์อีกกิ้งกือก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรให้ใครมันดาเนินชีวิตของมันไปตามปกติสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทาอะไรให้ใคร แต่คนไปเกลียดมันเองเพราะมันเกิดมาตามแบบฟอร์มที่ต้องใช้วิบากของมันหรือแม้แต่เตะาขาบแมงป่องงูแมงมุมหรือสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษทั้งหลายใครเห็นก็ต้องรีบตีรีบฆ่ารีบกำจัดมันก่อนเพราะกลัวอันตรายซึ่งสัตว์เหล่านั้นโดยแท้จริงมันกลัวมนุษย์มากกว่ามันไม่ได้คิดที่จะมุ่งหมายทำร้ายใครเสียงดังหน่อยมันก็หนีแล้ว ที่มันทำก็เพราะมีภัยถึงตัวเท่านั้นแต่เพราะมันมีเศษกรรมที่ต้องมาเกิดในแบบฟอร์มนี้มันอาจจะเคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเคยสร้างกรรมในการเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ที่ชอบเบียดเบียนชอบทำร้ายคนอื่นมาก่อนเมื่อใช้กรรมหนักแล้วเหลือเศษกรรมก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ที่ใครเห็นแล้วจะต้องรีบทาร้ายรีบฆ่ารีบที่จะทุบตีมันก่อนเพราะกลัวมันจะทาอันตรายให้ ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้จะทำร้ายใครๆเลยแต่เพราะแบบฟอร์มของมันเป็นแบบฟอร์มที่มีอันตรายดึงดูดให้ผู้คนที่จะรุมทำร้ายมันนั่นเองน่าแปลกที่แค่เปลี่ยนมุมมองความคิดเพียงเท่านี้กลับกลายเป็นว่าความกลัวความขยะดขยงความอยากหลบหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจจะเริ่มหายไปจึงย้อนคิดไปถึงพระปฏิบัติที่ท่านให้ความเมตตาทุกสรรพสัตว์เท่ากัน ไม่ได้แบ่งแยกใดๆแผ่เมตตาให้สัตว์เหล่านั้นแม้จะถูกมดถูกแมงป่องถูกตะขาบเหล่านั้นกัดบ้างต่อยบ้างในยามที่เดินทุดงท่านก็ไม่เคยคิดแค้นคิดทำลายแต่กลับแผ่เมตตาให้ด้วยความสงสารในเศษกรรมของสัตว์เหล่านั้นให้เขามีโอกาสพบแต่ความสุขเถิดเมื่อมุมมองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเข้าใจมากขึ้นเมื่อกระทบสิ่งเดิม ความรู้สึกจึงเปลี่ยนไปเมื่อมีความเข้าใจความทุกข์ที่เคยก่อกินมานานความขยะดขยงความวิตกกังวลความหวาดกลัวมันก็จะเลือนหายไปเห็นแต่เพื่อนร่วมวะตาสงสารที่ยังต้องเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกทรมานกันอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้นี่คือปฏิหารแห่งธรรมปฏิหารแห่งความเข้าใจในกลไกของธรรมชาติ แล้วเปลี่ยนจากทุกมากมายกลายเป็นทุกน้อยได้จริงแค่ทำความเข้าใจเปลี่ยนมุมมองใหม่เท่านั้นเองความทุกข์จากความไม่เข้าใจก็หมดไปทันทีเราผู้ได้อกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสมากกว่าสัตว์เหล่านั้นถ้ายังไม่เห็นว่าภายในวัตาสงสารการเวียนว่ายตายเกิดน่ากลัวที่สุดหากไม่เร่งปฏิบัต เพื่อที่จะออกจากวัตตะสงสารแล้วแล้วก็จะเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายที่สุดหากยังคงทำมาหากินด้วยความโลภคดโกงกอบโกยหรืออาจพลาดพลั้งไปโกงไปทำร้ายไปเข็นฆ่าก็อาจเป็นไปได้ว่าเกิดมาครั้งใหม่อาจจะกลายเป็นสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งที่ทุกคนเกลียดกลัวก็เป็นได้การวิปัสสนาคือการพิจรารณา เพื่อให้เห็นจริงในความเป็นเช่นนั้นเองของทุกสปปรรพสิ่งว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแม้แต่น้อยแต่ต้องคอยมีสติ ก, กำกับอยู่หนึ่งเนืองระลึกถึงอยู่หนึ่งเนืองพิจารณาอยู่หนึ่งเนืองว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเหตุปัจจัยตามธรรมชาติที่ปรุงแต่งรวมกันแล้วเกิดอุปทานหลงยึดว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้น ซึ่งโดยแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวใครของใครมันเป็นเพียงการรวมตัวกันของธาตุตามธรรมชาติแล้วก็มีกระบวนการปรุงแต่งจนเกิดมีการรับรู้ได้ซึ่งการรับรู้ก็ไม่ได้เป็นตัวใครเป็นผู้รับรู้มีเพียงธาตุทางธรรมชาติที่เป็นตัวรับรู้ขันห้าและมีอุปทานล่อหลอกว่าที่รู้ได้คิดได้ทำได้เนี่ยนะมันเป็นตัวแก่ของแก่ ด้วยความไม่รู้จึงหลงยึดหลงคล้อยตามไปกับสิ่งล่อลวงเหล่านั้นจึงยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอวิชชาคือความไม่รู้จริงไม่รู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาตินั่นเองจึงเกิดปัญหาเกิดตัวตนเกิดเราเกิดเขาเกิดโลกเกิดภพเกิดชาติเกิดวัฏสงสารขึ้นมาแค่เห็นผิดนิดเดียว เรื่องมันเลยยาวพบชาติมันเลยเยอะความทุกขมันเลยแยะตามไปด้วยดังนั้นมักมีองค์8หนทางแห่งการพ้นทุกข้อแรกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความเห็นให้ถูกตรงกับกฎของธรรมชาติเป็นข้อแรกและสาคัญที่สุดคือต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เข้าใจตามสภาวะของธรรมชาติไม่ไปหลงผิดจากกฎของธรรมชาติไม่ไปหลงยึดธรรมชาติว่าเป็นตัวตนเป็นของตนถ้ามีความเห็นตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสแล้วโอกาสที่จะออกจากวัตฏสงสารหลุดพ้นจากอุปทานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง เพราะมีผู้หลุดพ้นจากอุปทานขันห้ามากมายที่มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันนี้แม้จะลดน้อยลงเรื่อยๆก็ตามแต่ก็ยังพอมีให้เห็นหากปฏิบัติอย่างถูกตรงจริงๆทุกอย่างจึงต้องอยู่ในการพิจารณาไตรตรองและเทียบเคียงกับสิ่งที่ท่านได้รับรู้มาศึกษามาแล้วพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเองอยู่ที่ว่า ท่านจะมีความเข้าใจในแก่นแท้ของธรรมชาติได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้น